ไ้นี่มนเนี่ยอาต ม, มามาแสดงธรรมให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจังซึ่งวันนี้อาตมาจะได้นำหัวข้อที่ปฏิบัติธรรมเพีย ง, งสั้นๆยลันัดนำไปใช้เป็นคู่ครองกับชีวิตของเรา ส่วนใดที่อาตมาได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วนั้นยังใส้ประโยชน์ไม่ได้นั้นก็จะได้เล่าให้ฟังเป็นเพียงเล็กน้อยแต่อย่านำไปปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นมีมากแต่คนใดมีปัญญาแหลมคม ที่จรณานานมาไปใช้ได้แล้วก็ไม่มีทุกในชีวิตประจาวันนี้แต่คนใดไม่มีปัญญาฟังไปแล้วก็จำไม่ได้ไม่ได้เอาไปปฏิบัติอันนั้นก็เรียกวฟังแล้วไม่เข้าใจดังนั้นวันนี้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมล้วนแต่เป็นผู้ที่ มีจิตใจเข้มแข็งหรือจิตใจฟักไฟในคนวามตนพุกอันนี้ที่จะให้ข้อคิดุประมาะเเรียบเทียบให้ฟังไว้ข้อแรกที่สุด mm hmm. พุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านระมาะไว้ก็บัวซีเ่าเราหนึ่งนั้นคนน้ำขึ้นมาสูงแล้วคือตูม ทางข้างใหเรื่อเม็ดพืชในข้างหนนั่นแหละตูมเต็มแน่นอยู่พอดีแสงอาทิตย์หรือแสงตะเวนนี่แหละส่องเข้ามาดอกไม้ก็บานได้ทันทีและดอกที่สองพอพนน้ำขึ้นมาแล้วตูมข้างไหนแต่ยังไม่แน่น เมื่อแสงตะเวนหรือแสงผ่าอาทิตย์นี่แหละส่องเข้ามาต้องสองวันสามวันดอกไม้จะบานได้ดอกที่สามเก้นน้ำเพียงเล็กๆน้อยๆตูมน้อยๆ ย, ยังไม่ทันแน่นเมื่อแสงตะเวนออกมาส่องมาดอกไม้ดอกที่สามนี่ก่อนตั้งซ้อนแน่นขึ้น หลายวันก็บานได้เหมือนกันดอกที่สามคือยังเป็นอาหารของปษะปูปลาเต่าอยู่ในน้ำในตมอันนี้ก็คล้ายคือกันที่คนเราถือพุทธศาสนาหรือถือศาสนาพุทธนี้เมื่อมางองเธอแง่ปฏิบัติธรรมบางคนก็ไม่สนใจในการปฏิบัติธรรม สนใจเรื่องการทำบุญบางคนก็ไม่สนใจเรื่องการทำบุญสนใจการนักษาศีลเป็นยังไงบางคนก็สนใจการให้ทานการรักษาศีลไม่สนใจทำให้จิตใจสงบบางคนก็ไปสนใจเรื่องทำจิตใจให้สงบไม่สนใจในการเจริญปัญญาตอนเจริญปัญญานี่แหละ มันมันผิดขันไกลมากตอนนี้ฟังแล้วจำให้ได้ตัวของอาตมาเองเมื่ออายุสิบเอ็กว่าปีไปบวชเป็นเนรเคยศึกษาหลักวิธีปฏิบัติธรรมะท่านว่าวิปัสนาวะยนท่านสอนให้เจริญพุทโธแล้วนั่งขัดสมาธิ ตอนจรลญพุทโธนี่เวลาหายใจเข้าท่านว่าพุทหายใจออกให้ว่าโทอันนี้ทํามาเป็นเวลานา น, านต่อมาท่านก็มาสอนให้ว่าสัมมาอารหังคือความเห็นถูกต้องท่านว่ า, อ, าอันนี้ก็ทํามานานพอสมควรต่อมาท่านก็มาสอนให้เป็นวิธีนะับหนึถึงสิบ แต่ให้ถูกกำลมหายใจเหมือนกันและนับตั้งแต่สิบกลับลงมาถึง1นึอีกแล้วก็นับตั้งแต่1นึถึงยี่ิบนับตั้งแต่ยี่สิบลงมาถึง1นึอีกแต่วิธีเหล่านี้ทำให้ถูกกล้องกับลมหายใจข้าวออกเหมือนกันต่อมาเมื่อระยะเป็น เรียว่ามีครอบครัวแล้วเนี่ยแต่เลยได้มาที่จังหวัดบุรรม์มีอาจารย์คนหนึ่งท่านเรียนวิธีพองยุกท่านก็นมาสอนวิธีพองยุกให้วิธีพองยุกได้ทำมานานพอสมควรและมาพิจารณาตัวเองก็ยังไม่มีความสว่างภายในใจิตใจ คือวิธีพุโทโธก็ดีวิธีฟองยุบก็ดีหรืออนาปานสตีก็ดีสัมมาอาลัหังนับเรื่องสองสามก็ดีนา ต, ตมาไม่มีความสว่างภายในใจิตใจจิตใจมันแน่นอยู่ในจิตใจแต่ความสงบนั้นมี ความสงบนั้นมีมีความสงบโดยที่ว่าไม่รู้สึกตัวสงบนั่งสงบได้แต่ละวันละวันเราต้องเป็นธรรมความสงบอันนั้นใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือบางทีอาจจะผิดคำสอนของพุทธกาสนาก็ได้เมื่อมาย้อนถึงความสงบตอนนี้ ท่านผู้วังทั้งหลายต้องตั้งใจฝังให้เป็นตอนนี้คนมีปัญญาก็ฝังได้รู้ได้ทันทีดอกไม้นั้นก็แปลว่าบานได้กัทันทีเมื่อเจ้าทายทิษถาคุมมารของเรานี่ไปบวชเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าบวชแล้วก็ไปศึกษากับอาลาดาบุตรอุทธกษดาบุตรสองอาจารย์นี้ คนแรกได้สมาบัติเจ็บสอนให้เข้าฌานออกฌานหล่องแแท้วร้วองไหวเหมือนกันกับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างและบางทีอาจจะดีกว่าอาจารย์อาาีกด้วยเพราะเจ้าสายสิตธัตุมหมานนี่เป็นคนแข็งแรงเป็นคนพูดจริงทำจริงอย่างที่พวกเรามาอบรมกรรมาฐานกันที่นี่เลย เมื่อเป็นเช่นนั้นได้สมา บ, บัติเจ็บแล้วพิจารณาถึงตัวเองแล้วเห็นพวกปัญจว akest ่งห้าผู้ที่ติดตามไปนั่นแหละทมพูดอะไรต่างๆนี่ไม่พอใจก็มีพอใจก็มีที่เห็นด้วยตาฟังด้วยหูอันนี้ก็เสือ่อแก้ทุกข์ไม่ได้ ก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็ว่าหมดคมรู้เมื่อหมดคุมรู้ก็ลาอาจารย์หนีไปเมือ่อหนีจากอาจารย์ไปคนนี้ก็ไปเรียนคนที่สองได้สมบัติแปดได้สมบัติแปดนั้นเราเคยเข้าใจทวมาเข้าสารได้ออกสารได้เรียกว่าสมบัติแปดองแค่วว่องไวเหมือนกันกับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกแง่ทุกมุมบางทีอาจจะดีคนอาจารย์ก็ได้เพราะว่าท่านเป็นคนพูดจริงทำจริงเพราะท่านแสวงหาความรู้ทางดับทุกข์จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นเห็นพวกปัญจวัคคีย์ั้งห้าธรรมพูดได้ยินด้วยหูเห็นด้วยตาพอใจก็มีไม่พอใจก็มีแสดงว่าผมทุกนั้นยังไม่ ลดน้อยลงยังเหมือนเดิมก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ก็ว่าหมดคมรู้แล้วดังนั้นความสงบนั้นจึงว่าอันความสงบแบบนั้นมันไม่ได้เป็นพุทธศาสนามันเป็นคำสอนของผามที่เราไปศึกษากันเพราะเราไม่รู้ตัวอาตมาเองก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเช่นนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้จึงทำ ความไม่รู้นี่แหละเป็นโทษอย่างหนักไม่รู้จึงทำผิดก็ไม่รู้ถูกต้องก็ไม่รู้อันนี้ส่วความผิดนั้นเพราะความไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนี้เราเข้าใจแล้วพวกเราปฏิบัติเป็นนั่งให้มันสงบนั้นเราไม่ต้องทำกลมสงบเพราะมันไม่เป็นคำสอนของพุทธศาสนามันเป็นคำสอนของพราม อันนั้นมันเป็นคำสอนของพระแบนี้เมื่อเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็เลยมารวบนัดตัดใจความให้สั้นเมื่อเจ้าสายศิษถาคุมมานคือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละเห็นว่าไม่เป็นทางตัดจะรู้แล้วก็หนีเลยลาจากอาจารย์นั่นมาเมื่อลาจากอาจารย์นั่นมาก็มาทำทุกกางกิริยา เราเคยได้ยินกันว่า <c oughs> กินข้าววันละเท่าเม็ดงาไม่ได้กินหลายกินข้าวนี่กินข้าววันละเท่าเม็ดงาเท่านั้นนี่การรักษาศีลก็เส้นเดียวกันการรักษาศีลก็ยังไม่ถูกต้องการกินอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกต้องยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนานทำขนาดนั้นเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะ คนไม่กิงข้ามก็สูบ้อมลงมีเต้นหนังเอ็นกระดูกรัดดึงกันเอาไว้เท่านั้นอันนี้ก็ทำแทบจะหมดลมหายใจอันนี้ก็ยังไม่ถูกต้องเราเคยได้ยินอูบ า, าจาย์เคยเล่าให้ฟังว่าพระองค์ก็เลยเลิกละจากความเพียรเหล่านั้นมากินมาข้ามป้อมสมหมอนี่แหละ พวกปัญจวคีดังห้าก็เห็นว่าพระองค์ขายควมเพียนเวียนมามากๆอยูแล้วคงจะไม่ได้ตัดสู่เป็นพระละหันดับปุ๊บไม่ได้จริงๆพวกปัญจวคีดังห้าคนหนีพระองค์ก็เดินมาคนเดียวอันนี้เรียกว่าสงัดกายสงนัดวาจาใจยังไม่ ส, มสงบสังนัดอะไรกันมันยังคิดน้นคิดนี้ที่แรกอยู่ด้วยกันห้าคนหกับเรา ปัจบั น, นนี้ห้าคนหนีไปแล้วเราเดินไปคนเดียวคิดถึงนางหุ่นคิดถึงปัญจวคีทั้งห้าคิดถึงนางพิมพาคิดถึงทรัพย์สมบัติคิดถึงผู้ให้ความสนุกสนานบำรุงบำเลอเหล่านั้นแหละคิดไปจิตใจบันวุ่นมาก็เลยมากินข้าวนางสุดสดานางสุดสดาเอาข้าวไปบวงสรวงเดียวไปปูซาเทวดานี่แหละ ก็เลมากินข้าวอันนั้นเมื่อมากินข้าวอันนั้นพระองค์ก็เลยถามนางสุต ด, ดาว่านางจะถวายทั้งธาตุทั้งข้าวทั้งขันนี้หรือจะถวายทั้งแต่ข้าวนางไปตอบพระองค์ว่าถวายทั้งหมดไม่เอาอะไรกับคืนวบันนี้พระองค์ก็เลยเห็นว่านางไม่เอากับคืนแล้วก็สันข้าวนางหมดแล้วก็จกับขันนั่นมา มาลิมแม่น้ําก็เลยมาอธิษฐานว่าถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตัดตะลุเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงทุกดับกิเลสได้อย่างจริงๆแล้วข้าพระเจ้าวางธาตุเลือกขันใบนี้ลงแม่น้ํานี่แล้วให้ธาตุเลือกขันใบนี้พวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ำไว้ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าจะไม่ได้ตัดตะลุไม่ได้เป็นพระบริเจ้าดับทุก์ไม่ได้ ดับกิเลสไม่ได้วางขันหรือธาตุใบนี้ลงไปแล้วให้มันไหลไปตามกระแสะของน้าพอดีพระองค์ก็เลยวางลงไปวางลงไปแล้วขันธาตุนั่งพรวนกระแสะของน้ำขึ้นไปถึงหัวกะละนาคกันก็เลยไปจมลงที่ตรงนั้นกะละนาคนอนยังไม่ตื่นก็เลยตื่นขึ้นมาว่าใครต่ตะลุเลวจริงๆเราน อ, นอนยังไม่ตื่นยังไม่ทันเท่าไหร่ ลเลยเพ่งเรงลงมาถึงสิธาตคือพระพุทธเจ้ของเราเนี่ยได้ตัดจะรู้แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อที่ให้เราคิดเราจะเพียงจําตําราเท่านั้นคนได้จําตําลาแล้วยังไม่พิจรารณาอันนั้นชื่อว่าดอกไม้ยังไม่ตูยังไม่แน่นถ้าหาว่าฟังแล้วพิจารณาใจ ส, สติปัญหาดอกไม้ก็ตูมแน่นก็บานได้ สิ่งนั้นก็ไม่ต้องทําแล้วเรารู้แล้วไม่ต้องทําอ้ว น, นี้เป็นวาบานแล้วพระ อ, องค์เลยมาทําทางจิตมาทําทางจิตนี่เราเคยได้ยินกับพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละแต่จะรู้พ่อการทําทางจิตมานั่งอยู่ที่ต้นโพวย่งังครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอันนี้อาตมาได้ฟังมาอันนี้เป็นความรู้จักรู้จักยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริง ตอนที่อาตมามามีความทราบซึ้ถงถึงจิตใจนับรองคําพูดของพระพุทธเจ้าได้นับลองคําพูดทางพุทธศาสนานี่ได้จริงๆและก็ยังนับรองคําพูดของที่อาตมาจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้นับรองได้จริงๆอันนี้มีความสว่างขึ้นภายในจิตใจที่ว่ารู้แจ้งรู้จริงเนื้อจาก คำ ท, ที่เราเรียนมาได้ยินได้ฟังมันเนื้อจริ ง, รงๆเรื่องนี้อาตมามาทำวิธีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็าตามแต่วิธีนั้นอาตมามาพลิกมือขึ้นพว่มมือลงเป็นจังหวะนั่งสบายไม่ต้องนัก่ก็ได้ไม่ไม่ไม่ต้องนัก่ก็ได้ฟังให้มันเกิดปัญญาเรื่องนี้หรยอว่าให้มันบานขึ้นมาได้ในขณะนี้ก็ได้ ฟังแล้วก็รู้ทันทีเรื่องนี้อาจารมามาทําวิธีพลิกมือขึ้นขั้วมือลงให้มีสติเข้าไปรู้ยกมือไปเอามือมาให้มีสติเข้าไปรู้เดินหน้าถอยหลังให้มีสติเข้าไปรู้ก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาให้มีสติเข้าไปรู้ทุกทีเรียบบทนันแหละ พิษตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกคืนน้ำลายลงมาอมขอนจะให้มีสติเข้าไปรูเมื่อทำเช่นนี้ขึ้นมาไม่นานเกิดความคิดสนิดหนึ่งแวบขึ้นมารู้จริงๆตอนที่จะเกิดความคิดแวบขึ้นมานั้นสมัยนั้นอาตมานลงกางเกงขาสั้นแมงตองเรือแมงงอดบ้านอาตมาเรียกว่าแมงงอดตกใต้ขาอาตมา ตามปกติอะไรตกเส้ขาอาตมาปัดวันนั้นอาตมาไม่ปัดก็เลยดูพิจารณาเลยรู้จักเรื่องลูกนามรู้จักจริงๆอันเนี้ยแต่เมื่อแต่ก่อนนั้นรู้จักกับครูบาอาจารย์ว่าตาเห็นเป็นรูปรู้ว่าลูกเป็นนาเพราะเรียนอันเนี้ยว่านามน้ำสักนา ม, นามคุณนามรำอาจารย์สอนอันนี้สอนแต่ความจริงอันนั้นถูกน้อยไม่ถูกหลาย ถูกไม่ถึงห้าเปอร์เซนตามารับรองได้คำพูดที่มีในตัวหนังสือนั้ถูกน้อยไม่ถึงห0ปอร์ซแต่ความรู้ที่มาเกิดรู้จากรูปนามนี่ถูกต้องจริงจงอย่างน้อยต้อง 60% สเปอร์ซถ้าพูดยังมากก็จังหวะร้อยเปอร์เซนต์ไม่ขาดสมบูรณ์จริงๆเรื่องนี้อันนี้เป็นความรู้ที่เห็นแจ้งรู้จริงมาจากจิตใจสำนึกจริงๆ เมื่อรู้รูปนามแล้วก็เลยรู้ทุกขังอันนี้จังอนัตตาทุกขังมันเคยเรียนกับครูบาอาจารย์ว่าผมงอบฟันหักเนื้อหนังมันย่นย่อไปอันนั้นไม่ถูกต้องแต่ถูกต้องแต่ไม่ถูกถึงร้อยเปอร์เซ็นถูกต้องไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็ตอาจจะมาพูดนี่เมื่อมารู้จักทุกขังตัวทุกขังนั่นแหละที่พระองค์สอนให้เรากาหนด ให้มีสติตามรู้เนี่ยตัวเคลื่อนไหวตัวอิยบุตินัเป็นตัวทุกข์เราไม่เคยกำหนดมันก็เลยไปมันคิดว่าเคลื่อนไหวโดยวิธกรไปเลยก็เลยไม่รู้จักทุกข์ตัวเคลื่อนไหวตัวนิยบุตินันเป็นตัวทุกข์ขังเป็นตัวอนิจจังเป็นตัวนาตาอันนี้แหละที่มามั่นใจว่าไม่ผิดถูกต้องจริงๆ เมื่อรู้ทุกครังรู้อนิจจังรู้อนัตตาแล้วก็รู้สมมติขึ้นมาสมมติในโลกเนี่ยรู้ให้หมดทีเดียวอย่าให้มีข้อบกพร่องรู้จริงๆสิ่งที่เป็นสมมติพูดขึ้นมาอาตมารู้จริงๆในขณะนั้นอาตมาจึงไม่เก้อเขินใครจะพูดยังไงก็ตามก็ต้องเอาความรู้แจ้งรู้จริงนี่แหละมาใช้ในชีวิตของเราจึงจะมีประโยชน์ เมื่อพูดตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนเนี่ยว่าจะพูดเรื่องอาหารการกินก็เลยไม่พูดเมื่อรู้อย่างนี้ก็เลยมารู้เรื่องศาสนารู้พุทธศาสนาศาสนาที่แรกอาจาร ม, มาเข้าใจว่าคือวัดหรือพระพุทธรูปหรือมีโบสถ์มีสิมมีพระสงฆ์องค์เล น, น, นเข้าใจอย่างนั้นแต่ก่อนเข้าใจอย่างนั้น พุกทศศาสนานั้นอก่อนนึกว่าเป็นตัวกัมเพเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าใจไปอย่างนั้นแต่เมื่อมารู้แล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตัวศาสนานี่คือตัวคนทุกคนเลยเข้าใจอย่างนี้นผู้หญิงก็เป็นศาสนาผู้ตายก็เป็นศาสนาคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาคนขาเขมรคนดวนคนลาวใครๆก็ตาม จะถือศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามตัวศาสนาคือตัวคนทุกคนเลยเข้าใจอย่างนี้ตัวพุทธศาสนาคือตัวสติตัวปัญญาเข้ามารู้ตัวเองนี่แหละนะพุ๊บะ้าจะแปลผู้รู้ก็ เ, เลยเข้าใจอย่างนี้บาปแบบนี้บาปคือความไม่รู้กว่าอย่างอันความไม่รู้นี่เป็นบาปหนักที่สุดบุญคือรู้อันรู้เนี่ยเป็นต้นบุญก็เลยเข้าใจอย่างนี้ รู้อย่างนี้แล้วก็เลยไม่มีทุกข์เรื่องสมมตินี้ไม่มีทุกข์แต่ขาวนั้นอาจะมายัางไม่รู้ผมคิดยังไม่รู้จริงจริงแต่มันรู้มันติดรู้มันติดรู้ก็เลยเป็นวิปัสนุเป็นวิปัสนุก็เลยไม่รู้ตัวเองเป็นวิปัสนุตั้งแต่เซาเย็นตั้งแต่เซาจนเย็นมันเป็นวิปัสนุมันรู้รู้ไปทั้งหมดเลยมันก็เลยไปติดขลมรู้มันเข้าไปในกลมคิดแล้วอันนี้แหละ ดังนั้นที่มาที่นี้ต้องทําตัวทุกทุกคนให้เป็นเม็ดขา้าวอ้วนเต็มจะเป็นเข้าเจ้าก็ตามเข้าเหนียวก็ตามคํำว่าเข้าวเจ้าเข้าวเหนียวนี่ก็มมหมายถึงบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้มุ่งผ้าเสียอะไรก็ได้เนี่ยหมายถึงข้าเปลือกข้าเจ้าเข้าเหนียวแต่มันมีไนมันเต็มดีเอาไปเพาะ แตกขึ้นมางอกขึ้นมาทันทีถ้าเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียกวก็าตามถ้าไม่มีในเขาเรียกว่าข้าวรีบเอาไปเพาะไม่งอกดังนั้นเรามาฟังนี่ก็เหมือนกันต้องฟังเุก่ความจริงใจและฟังเพื่อความทราบซึ่งจริงจริงเราก็รู้ที่พูดให้ฟังได้รู้แล้วเนี่ยแต่พยายามให้ผมรู้ให้เรารู้ตามคำพูดอันนั้นแต่อย่าให้รู้ตามอาตมาให้รู้ตามคาพูดอันนั้น พี่จะมา้เห็นอันนัจริงๆไปอย่างไนบัดนี้ความรู้อันนี้มันดีใจยังไม่ใช่เป็นใจดีมันดีใจเพราะมันดีใจมันก็เลยไปภูมินะความรู้อันันเนี่ยภูมิใจรู้แล้วโอโหแสดงทำนี่ไม่เกาะไม่คล้องใครจะมาถามยังไงแก้ปัญหาผลได้ทุกแง่ทุกมุมจริงๆอันนี้แหละเราไม่รู้แต่ความรู้นั้นเรื่องปัญญา รู้จริงๆนะคน ร, รู้เรื่องรูปนามรูปธรรมนามธรรมหรือุกคขังอันนี้จังอ น, นันาตลอดถึงบาปคุณนี่อันนั้นเป็นผมรู้ของปัญญาเป็นวิปัสนาพื้นพื้นอันเนี่ยแต่ว่ายัางไม่ใช่เป็นวิปัสนาอย่างแท้จริงผมรู้แบบนี้ฟังแล้วเกิดปัญญารู้อันนี้แล้วคนมีปัญญาอย่างแหลมคมรู้ดกอกไม้เฉพาะมันจะบานแล้ว พอดีแสงแตะเวนออกมาโผล่ออกมากระลุ้ทันทีอย่างท่านมานั่งฟังก็โอ้จริงรูได้จริงอันนี้ดอกไม้มันบานได้สมมุตินั้นเนี่ยแต่ดอกที่สองนั้นฝังสองครั้งสามครั้งไม่เข้าใจบางคนเพราะไม่ตั้งใจฝังเนี่ยดอกที่สามก็ยิงแล้วไปวางให้ฝังตั้งเก้าฝนสิบฝนก็ยังไม่เข้าใจเราที่สี่นั้ น, น, นยังเฉยอยู่เนี่ยยังเฉย ยังไปติดอารมณ์อะไรกี่ประทะเลยไม่ได้ยินครับสมมุติเทศกันเป็นจํานวนมากๆเนี่ยบางคนไม่ฟังเลยไปสงวนเรื่องอะไรไม่รู้เลยกี่ประทะอันนี้เป็นอย่างนะั้นบัดนี้ตอนแรงมาอาตมาไปสงน้ําเดินบัดเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเรียกว่าเดินจมกรมคลายๆคือมีคนมาผักดันข้าอาตมานี่เนี่ย วูบ oh. อาตมาอีกมันเป็นอะไรอย่างนี้เลยหาหามไม่เจอไม่เห็นอะไรเลยเพราะควมคิดมันไม่มีตัวไม่มีตนก็ <c oughs> หาควมคิดไม่เห็นด้วยตาและจับก็ไม่ได้มัน <c oughs> ก็เลยเดินไปเดินมามันคิดวู oh. ขึ้นมาครั้งที่สองเนี่ยอาตมาอือวามันคิดมันคิดมาจากที่ไหนกระมองอย่างนี้หายัางไม่ได้สมมูถฐาน ยังไม่ได้ที่เลยเดินไปเดินมามันคิดขึ้นมาวูบที่สามอย่าอาตมารู้ทันทีจับได้เลยนีย้มันคิดมาจากที่นี่เราต้องทำเหมือนแมวกับหนู เ, เพราะอาตมาจวิวมาเป็นนิสัยเรื่องแมวกับหนูเลยพูดเรื่องนี้หมอคอยดูหนูมันออกมาแมวมันจ้องจับทันทีอันนี้อาตมาก็เลยมาคอยดูความคิดของอาตมา มาดูไปดูมามันคิดขึ้นมาก็รู้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้จริงๆ ร, รู้จริงๆในขณะนั้นบัด น, นี้ตอนรู้ขณะนี้แหละมันรู้จักวัตถุสมุฐานของผมคิดทุกแง่ทุกมุมเมื่อวัตถุที่นําเมื่อนำหนังเราเนี่ยรู้จักแม้ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นวัตถุ ภายนอกภายในเป็นวัตถุของจิตใจอาตมารู้จริงๆในขณะนั้นคําว่าปรมัตินี่ปรมัดเดียวของจริงปรมัดนี่มีสองความหมายพ้นระจากสมมุติก็ได้เมื่อ ก, กําลังเห็นอย่างที่เรามานั่งอยู่นี่เห็นอาตมาพูดอยู่นี้เนี่ยแล้วก็ฟังเสียงก็ได้ยินอันนี้ก็เป็นปรมัดเนี่ยปรมัดจึงมีสองแงสอง ม, มุเมื่อเห็นอย่างนี้คอยเห็นอาการควมเคลื่อนไหวควมเปลี่ยนแปลงของร่างกาย แล้ความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตะมูอัตมารู้จริงๆเมื่อรู้อย่างนี้ลักษณะโสดมันคิดอย่างนั้นลักษณะโมหะมันเป็นอย่างนั้นลักษณะโลภะมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่ได้มีที่เหลา่าคือมันมีอยู่ในควมคิดลักษณะควมคิดเึ้นมาในเราคิดไปแล้วเราไม่เห็นไม่รู้คมคิด แล้วลักษณะนั้นอะโทสะโมหะโลภะมันมาซ้อนอยู่ในความคิดนั้นแต่ความคิดนั้นมันไม่ได้มีที่เรามันคิดขึ้นมาสิ่งนั้นมันเข้ามาทันทีอาตมาก็าเลยรู้สมุฐานอันนี้ชื่อว่านำมาสอนพวกเราเลื่อนนำมาเราให้พวกเราฟรังให้พวกเราพยายามดูการเคลื่อนไหวและให้พวกเราพยายามดูความคิดที่อาตมาพูดอย่างนี้คือไม่ต้องมีพิธีลีตองอะไรทั้งหมดเลย รับรองได้จริงๆนี่ตั้งแต่บัดนั้นมาแต่มาแล้วความโกรธให่มันหายไปเองความโลภมันก็หายไปความหลงมันก็หายไปเพราะมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีมันจะไปหามาที่ไหนหาความโกรธ ไ, ไม่มีหาความโลภไม่มีหาความหลงไม่มีมันไม่มีจริงๆเรามาทำความตื่นตัวความรู้สึกตัวนี่แหละเข้ามาให้เรามากๆ วันนี้มาพูดเรื่องเวทนานนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันเป็นรูปสี่มันไม่ใช่เป็นรูปห้ามันจัดเป็นเป็นรูปอันนี้อันหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่านามรูปไม่ใช่รูปนามตัวรูปนามคือตัวคนตัวนามรูปคือมานับตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมานับอาวันนี้อาตอมารู้อย่างนี้จริงรู้จนว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้ ปฏิบัติได้คนมีปัญญาฟังแล้วรู้เนี่ยรู้เออลักษณะรูปนี่ตายไปลักษณะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปแต่มันก็อาศัยกับรูป น, นี่เข้าใจยังไงเมื่อเห็นอันนี้แล้วทุกข์ก็เลยไม่มีแต่ร่างกายในทุกทุกเพราะแดดหรือฝนเดินไปเดินมาอะพูดอุจจาระปัสสาวะอ่นร้อนเย็นอันนั้นมันทุกข์ อันนั้นเป็นทุกขเวทนาทุกโชกโศกาทุกให้ลำไพทุกเจ็บแค้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเทือนะทางนี้อาจจะว่าเจ็บเท้าตั้งอาจจะมาเพราเรื่าเจ็บแถวนะี่อันนั้นเป็นทุกขเวทนาไม่ได้จัดเป็นทุกขังอนิจจังนัตตาตัวทุกขังอนิจจังนัตตาเนี่ยก็เป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นแก่นเป็นแกนไป อันนี้เคลื่อนไหวเนีเห็นด้วยตาแต่ปัญญามันรู้ตัวทุกขังอันนี้จังอนัตาอีกประเภทหนึ่งคือตัวความคิดนี่เองมันคิดขึ้นมามันเป็นตัวทุกตัวทุกเพราะเราไม่รู้มันคิดออกไปเราไม่รู้เราไม่รู้ก็เลยเรารู้คมคิดอันนี้ก็เป็นตัวทุกอีกแล้วเป็นตัวทุกขังเป็นตัวอันนี้จังเป็นตัวนักตาเพราะความโกรธความโลภความหลงมันมันมาแทรกเอาตัวความคิดเราไม่เห็นกวาคิดนี่เอง มันก็เลยทําไปตามอารมณ์ทาไปตามโลภบ้างทําไปตามโทสาบ้างก็เพาะโมหะโมหะนั้นถามพุทธศาสนาท่านว่าโมหะภาษาบ้านอาจจะมาเรียกว่าหลงเรียกว่าหลงหรือว่าลืมเนี่ยเนี่ยถ้าลืมนั้น่นหาไม่เจอเลยถ้าหลงนี่มีโอกาสมีเวลาที่จะค้นพบได้ดังนั้นคนหลงที่ตรงนี้หลงผมคิดเนี่ย พอที่จะหาได้อันนี้เรียกว่าดอกไม้ใกล้จะบานได้ที่ฝั่งตอนนี้คนลืมท่านบ่ น, บบนเลยไม่รู้ผมคิดลืมเลยจะคิดยังไงไปยังไงเข้าไปในความคิดตะึุตตะคือไปเลยอันนี้ว่าคนลืมดอกไม้ดอกนั้นไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะตายเหล่านี้รูปนามนี้เป็นข้อที่แรกมัดข้อที่สองให้เอาสติมาคอยดูจิตดูใจนี้ เมื่อมรรคข้อที่สองนี่เนี่ยมันจะรู้เรื่องจิตใจคิดมันจะทําลายความหลงผิดได้อันนี้แต่ว่ามรรคข้อเดียวกั น, นั่นแหละแต่ว่าดูความคิดนี่เน่ยก็เลยจิตใจก็เลยมาเกิดความสว่างขึ้นภายในยจิตใจเพราะเลยรู้ความยึดมั่นถือมั่นคือกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมรู้จริงๆเรื่องนี้รู้มาสองพักนีงอาตมาก็เลยไม่ยึดไม่ถืออะไรเขาจะพูดยังไงก็เฉยได้ ถ้ามันเฉยมันมีอยู่แล้วหลักษณะเฉยนี่ท่านว่าอุเปขาแต่ความจริงเราไปอุเปฆาอดเอานั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องจริงๆมันอดเอานนันักสนจิตใจของคนมันมีเหมือนกันทุกคนไม่ยกเว้นคําว่าอุเปขาเนี่ยมันมีแล้วเราจะไปสนใจจะไปซอกจะไปหามันแต่เราต้องปฏิบัติมาให้มันญาณปัญญาเกิดขึ้นอันนี้เป็นการเราให้ฟังเป็นการเราให้ฟัง ฟังแล้วจับจำแล้วไม่ต้องไปปฏิบัติอันอื่นไกลให้มากเรื่องกิเลสกิเลสที่เขาเรียกว่ายางเหนียวเหมือนกับเอาตมหรือเอาไรไปโยนเส้นไม้มันติดกันเลยหรือเอาอยางไม้ไปติดเอาแมงไม้ก็ได้ในกิเลสมันเป็นยางเหนียวเพราะมันไม่อยากปลกมันไม่อยากวางคือเหมือนกับกาวที่ไปติดกระดาษดึงออกมันไม่อยากออกจากกระดนี่มันแต่เมื่อเราเห็นแล้วมันเป็นหลักษณะเป็นตันเอย่าง น, นี่ยไม่ต้องไปแกะมันเลย มันจะปอกไปคนเดียวเอาไปลงน้ํามันซึดออกมาแต่มันมันเตียกแล้วมันออกไปเนี่ยนั่นเป็นอันนี้เรากิเลสตัณหาเป็นควมหนักอุปาทานก็ติดกันยึดกันไม่วางกรรมกรรมก็เล่าสเสวยนั่นแหละคือวิบากหรือกลมทุกข์นนั้นเรียกว่ากรรมนี่ไม่เป็นอัตมาก็เลยมาเปรียบเทียบตอนนี้เปรียบเทียบว่าเหมือนปิงที่มาเกาะเราเราจับปิงดึงออกมาจะเนี่ย มันไม่หยัดวางเรามันดึงตรงนี้มาตรงนี้มันติดดึงตรงนี้มาตรงนี้มันติดมันไม่อยากออกจากเราอาจามาก็เลยมาสมมุติขึ้นมาเอายากับปูนไปผสมกัน บ, บน้ําคุกเข้ากันเนี่บ้านี้น้ําปูนกับน้ํำปูนกับยามันซึมเอาน้ําเนี่ยบัา น, นี้เอามาบีบเสนเนื้อเราพอดีน้ําปูนน้ายามันลงไปแล้วมันเป็นทึ่งเอาเนื้อปิง้งปิ่งมันล่นคนเดียว อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นแจ้งลู่จริงแล้วลักษณะนั้นมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วลักษณะกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วอันนี้แหละมันไม่ได้มีอยู่แล้วเราไม่รู้เราไม่เห็นต้นตอของความคิดอันเดียวเท่านั้นอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้แลหละลักษณะที่อาตมานํามาสอนแต่เรื่อง ที่ว่าเป็นนิมิตเป็นมายาเห็นสีแสงผีเทวดานั้นโออันนั้นน่ะไม่จริงอาตามาบอกแล้วว่าไม่จริงใครจะว่าจริงก็ได้แต่ไม่ได้ปฏิเสธคนนั้นคนนี้สําหรับตัวอาตมาปฏิบัติไม่จริงไม่จริงคําว่านิมิตแปลวเครื่องหมายท่านสอนอย่างนั้นต้องเอาจิตไปจับกับเครื่องหมายที่เราเห็นอันนั้นไม่ถูกต้องถูกต้องตามแบบของคนไม่รู้ นิมิต เ, เราเครื่อนหมายเราเคลื่อนไหวโดยวิธีการู้เรากำมือเหยียดมือก็รู้พิบตาก็รู้หายใจก็รู้คิดก็รู้นี่นิมิตตัวนี้ต้องเอาสติมาที่ตรงนี้จิ้ว่ามาจับที่ตรงนี้แต่จะประจับมากนะประจับมากมันแน่นหน้าอกนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีเราให้ฟังเป็นวิธีเราให้ฟังจำได้นำไปปฏิบัติได้จริงจริงรับรองว่ามันมีในคนปุ๊บคนเรื่องนี้ อันนี้แหละเรื่องทําลายความโกรธความโลภความห ล, ลงจะไปหาทําลายทำไมของไม่มีจะไปหาไม่เจอเราเพียงเรียกร้องเอาสติให้มามีความรู้สึกความตื่นตัวเหล่านี้อันนี้แหละความสงบสงบด้วยสติปัญญาไม่ได้ไปสงบนั่งอาตมาเป็นนั่งตั้งยี่ส่ชั่วโมงก็ได้เนี่ยอาตมานั่งวิธีที่ทำเข้าตัวแข็งเปี้ยนี่อาตมารับรองสอนได้ พาออาตมาทำมาจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อวดดีนะอันเนี้ยเอาความจริงมาเล่าให้ฟังเอาความจริงมาเล่าให้ฟไม่ใช่อวดดีนะสอนได้จริงๆไม่เกินสามสิบวันอาตมาจะแนะแนวให้ทาได้แต่อันนั้นเสื่อสาทําไปนานๆจิตใจมันเสื่อสาไปเลยไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าคนเรียกว่าคนไม่เต็มบาทเต็มตังวัยนั้นก็ได้มันเสื่อสาไปสติปัญญาไม่แหลมคมไม่เป็น ไม่ไม่ได้ผลทำอย่างนี้ไปทำการทำงานก็ได้ทำอะไรได้หมดเลยใครจะมายกยอเราก็ไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นหลักธนอุเบกขาใจอันนี้เนี่ยเมื่อมีอย่างนี้เราจึงจะรู้จักว่าเรามีศีลเมื่อไม่เห็นอันนี้ศีล น, นั่นไม่ปรากฏอาตมาเป็นเมื่ออาตมาจิตใจของอาตมาเปลี่ยนระดับนี้มาแล้วอาตมารู้จักโอศีล ที่ในตำลับตํานาเขาผู้รัศมีเป็นเครื่องกําจัด ก, กิเลสอย่างยาสมาธิกําจัดกิเลสอย่างกลาปัญญาเป็นเครื่องกําจัด ก, กิเลสอย่างลเอียดอย่างละเอียดอาสมารู่ในขณะนี้จริงจิงตอนนี้ตอนสว่างเพราะว่าตื่นตอนนั้นก็นมานอนนอนก็เลยสว่างไม่ใช่สว่างอย่างนี้นะคือนอนได้ได้ตื่นเนี่ยนอนตื่นวันนี้นอนตื่นมาแล้ว ประมาณตีสามนี่แหละตีสามอาตมาก็ลุกมาเดินจมกลมเดินไปเดินมาบ้านที่นั้นมันไม่มีไฟมันมันมีไฟฟ้ามีไฟเทียนไขอาตมาใต้เทียนไขใต้เทียนไขว่าส้นนั้นส้นนี้อาตมาก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมามีตะขาบตัวหนึ่งแบบนี้มันผ่านหน้าอาตมาไปตะขาบใหญ่ๆก ว, ว่ากว่าไปอาตมาก็มองขุดดึงด้ายตะขาบ ก็มองไปมันไปไกลก็เลยมองไม่เห็นอาตมาก็เลยไปเอาไฟเอาไฟทางส้นโดยจรตามหาตะขาบตัวนี้เมื่อตามก็ไม่ไม่เห็นไม่เจอกันก็เลยเอาไฟมาไล่ตามเดิมก็เลยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันก็เลยปรากฏขึ้นมาอีกแล้วเลยรู้จักศินศินแปลวปกติโอ้ความปกตินี่ะเองเป็นศินไม่มาเข้าใจอย่างนะั้นคือปกติกาย ปกติว่าจะปกติใจอย่างที่อาจมาพูดเดี๋ยวนี้พูดด้วยปกติคือไม่ดีใจไม่เสียใจดีใจก็ไม่ใส่สินเสียใจก็ไม่ใส่สินสินแปลวปกติจะเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างจาัดคือทําลายโทสะโมหะโลภะอุปทานได้แล้วจึงจะรู้จักว่าเรามีศินเมื่อเราไปสมาทานศินก็ตามอะไรก็ตามเมื่อทําลายโทสะโมหะโลภะ หรือกิเลสตัณหาอุปทานกรรมนี่ไม่ได้แล้วคนนั้นจะว่ามีสินก็ยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์จริงๆเรื่องนี้อาตมารับรองได้จริงๆนี่ทางเดินไปหาพระพุทธเจ้าอาตมารู้จากนั้นจริงๆเมื่อเดินไปเดินมาก็เลยปรากฏเรื่องสินที่ขึ้นมาพอดีปรากฏเรื่องสินสินเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาบโอ้เรก็นึกได้โอ้ ตอนเราเดินตอนเย็นหวานนี้นะ่ะเข้าใจนี่เรามันเห็นชัดจริงๆกิเลสอย่างหยาบนี่คือโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณเอาประทานกับนี่เป็นทุกจริงๆคนยากสุบุรีเพราะเรื่องอะไรก็พาะโมหะกับโลภะคนโปรดเพราะอะไรก็เพราะโทสะกับกับโมหะมันรู้จากอันนี้ถ้าไม่มีโมหะตัวเดียวแล้วโทสะโลภะม็นขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีโมหะตัวเดียวนี่เสร็จแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานก็ดขึ้นไม่ได้อาตมาเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้จริงๆคือตัวโมหะคือตัวเลือดตัวนี่เองคือตัวไม่รู้คุม ค, คิดนี่เองเข้าใจอย่างนี้ก็เลยรู้จักสิลก็เลยรู้จักความสงบที่เราไปนั่งสงบโหมันคิดอะ น, นั่นมันไม่ใช่เป็นทางดับทุกขมันทางเพิ่มทุกข์อาตมาก็เลยมาเปรียบ มันมักเปรียบเกียบเพราะอาจะมาไม่เก่งภาษาวิทยาศาสตร์เขาทาน้าแข็งน้าแข็งน้าธรรมดานี่เขามีเครื่องประกอบเข้ามาเป็นน้ำแข็งเป็นกอดด้อนใหญ่ๆนี่แหละวันนี้เราไปกินน้ำแข็งเราก็มันเย็นเย็นนานๆไปน้ำแข็งตกไปในท้องเรานานๆ น, น, น้ำแข็งก็ทำขึ้นมาร้อนขึ้นมาเมื่อออกมาเหนียววนังบนี้ เอาน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆเนี่ยไปตากแดดตากลมไว้มันแดกขึ้นมานะแดดลมนี่มันเผาน้ำแข็งก้อนนั้นละลายเป็นน้ำเหมือนเดิมอันนั้นเรียกว่าความสงบแบบนั้นมันมือกับน้ำแข็งมันไม่ใช่เป็นสงบในทางพุทธศาสนามันสงบแบบวิทยาศาสตร์ อันนั้นก็ไปสงบคือเราไปคุมเอามันเองอันนั้นเราเรียกว่ามันถูกน้อยมันไม่ถูกมากมันก็ดีรับรองได้จริงๆเป็นดัังนน้จริงๆอัตมาก็เลยรู้สมุทฐานของคลมสงบจึงว่าไม่ทําแล้วเดี๋ยวนี้อัตมาไม่ทําแบบนั้นไม่ทําจริงๆนะเนื้อใครจะทําก็ไม่ไม่ขัดข้อไม่ห้ามแต่ใครอยากทำก็ทําได้เรื่องนันแต่มันไม่ใช่เป็นควมสงบเรื่องนั้นมันเป็นความสงบแบบน้ําแข็งมันละลายเป็นน้ําเหมือนเดิม อันนั้นตำลาราเขาพูดอยู่แล้วสมาถะกรรมฐ า, านเป็นอุบายให้สงบเหมือนเอาหินทำหน้าเอาหญินออกเลยแางน้ำเหมือนเดิมหรือางครั้งบางคราวอาจจะน้ําก็โดนก็ดน ไ, ได้คนไปทําคงสงบแบบนั้นนะบางทีคนอื่นมาพูดแล้วโคดเลวก็ดเดิมแล้วก็หนักแน่นก็เดินอปเสีด้วยเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราไม่รู้แต่เรารู้จาเรารู้มาจากครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นคนรู้ของตัวเอง ไม่ใช่เป็นความรู้แจ้งไม่ใช่เป็นคมรู้จริงเรื่องนี้อาตมารับรองได้จริงๆริงเรื่องนี้อาตมาจึงไม่ถับเรื่องนั้นอาตมาก็เลิกได้เลิกได้จริงๆเรื่องนี้แล้วก็เดินไปเดินมาต่อ น, นี้เป็นสองทางรู้จกักศีลรู้จักความสงบเดินไปเดินมาก็เลยมาเห็นสภาพหรือภาวะความเป็นอยู่ของตัวเองอาตมาเคยพูดอย่างนี้ เอาเสื้อมาพูกไว้ทังนั้นส้นหนึ่งพู่ทำใมีส้นหนึ่มีหลักแล้วตัดตรงกลางเมื่อตัดตรงกลางแล้วมันขาดออกจากกันมันก็เลยไม่ถึงกันเมื่อไม่ถึงแล้วบันนี้เราไปแก้ถังส้นนั้นมาแก้ส้นนี้มาเอามาถึงตรงกลางสองส้นไม่ถึงแล้วบันนี้เรามาเอาแก้ไปถึงสองส้นตรงกลางไม่ถึงแล้วอดนนี้อาจจะมาเปรียบเทียบตัวเองนะอันนี้ แต่ลักษณะนั่นมันปรากฏขึ้นมามันยืดมัดทั้ตัวทั้งตนทีเดียวเหมือนเอาสำลีไปสุกน้ําบีบน้ําออกเลยสำลีมันก็แห้งอยู่แล้วแต่เราเอาไปสุกน้ําเท่านั้นเองเมื่อเราไม่เอาสำลีไปสุกน้ําสำลีมันเป็นธรรมชาติมันแห้งอยู่แล้วแต่สำลีมันเอาน้ําเร็วอันนี้แหละครูบาอาจารย์ก็เลยนําไปสอนเอาไว้ว่าอายตนะภายนอกภายในอายตนะภายในฝกอายตนะภายนอกฝก เรียกว่าเป็นอัญตนาสิบสองท่านว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นภายนอกมันจะกระทบเข้ากันท่านว่าเห็นแล้วอย่ายึดมั่นถือมันอันนั้นเป็นคำพูแต่เรื่องนี้เราไปถึงจุดหมายปลายทางมันแล้วไม่ต้องพูดอะไรว่ามันมีสภาพอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่ถึงกันอยู่แล้วมันจะมันจะจุกกันได้ยังไงอาตมาก็เลยมาสมมุติว่า เกลียวน็อตหรือแหวนน็อตที่มันเป็นรถเนี่ทีแรกมันมีเกลียวมีแหวนเอาไาหันเข้ากันมันก็จู่เข้ากันได้เอาไปขันน็อเข้ากันแน่นทีเดียวบอนนี้ทําให้เกลียวมันหวานเกลียวแหวนก็หวานเกลียวน็อตก็หวานแต่มันเอาเข้ากันได้มันไม่จู่กันเลยเอาเอาเข้ามากระลุกลงที่เลยนี่ทิ้มลงมากันลงไปเลยเอาไปทำรถรถไม่วิ่งเลยอันนี้ก็เหมือนกันทําที่ติดของทุกต้องทําที่ตรงนี้ เมื่อไม่รู้อย่างนี้เรามีความสงสัยลังเลใจอยู่ตลอดเวลาอาตมาก็เลยหมดความสงสัยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เรื่องพุทธศาสนานี่ไม่สงสัยจริงๆใครจะพูดยังไงก็ฟังได้แต่ไม่สงสัยกับใครเรื่องความทุกข์นี่แหละก็เลยว่าไม่มีทุกข์แน่บัดนี้ใครจะว่าทุกข์เ็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคนนี่มันไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนานเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้ฐาน ไม่เกี่ยวข้องเรืการรักษาศีลไม่เกี่ยวข้อง ก, กับการทำสมถกรรมฐ า, านไม่เกี่ยวข้องกับการเจริญวิปัสนาถ้าพูดอย่างนี้ก็หาว่าโอ้ยเต็มทีแล้วทำลายพุทธศาสนาก็จะหาว่าอย่างนั้นก็ได้เลยแต่กลัวจริงอันนี้แหละทำให้พุทธศาสนาจเจริญอันนี้แหละที่อาตมาพูดเนี่ยเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาจริงๆให้เรากลับมาดูตัวเราเราจะเห็นเราจะรู้เราจะเข้าใจ คนเราเมื่อรู้เมื่อเห็นเราก็อยากเอาของเนี่ยไปให้คนอื่นรู้ด้วยอยากให้คนอื่นเห็นด้วยเพราะเรามีของสิ่งที่มันประเสริฐอยู่ในเราแล้วลก็อยากให้คนอื่นรู้ได้เหมือนกันเนี่ยเมื่อพูดจะเนี่ยก็จะสมมุติให้ฟังเพชรเนี่ยมีน้ำหนักหรือมีมีค่าร้อยเปอร์เซ็นตหรือทองคําก็ได้น้ําหนักบาทนึงก็ได้หรือเพชรก้อนนึงก็ได้ถ้าทองคําไม่ปลอมนะสีมันก็ดี เอาไปทําเป็นสร้อยคอสีมนเนก็ไม่ตกราคามันก็คงเดิมเนี่ยมันเป็นอยังไงมันได้ท่าเพชรมันเนี่ยเพชรที่ก้อนท่านตะเจียล่าแล้วโรงงานมันบดออกมาแล้วเอาไปวางขายในตลาดก็ราคามันก็ดีเหมือนกันแต่เพชรที่มันถูกแร่อมอยู่นี่ยนนะ่ะมันก็มีน้ําเพชรร้อยเปซ์เหมือนกันถ้าอาไปถลุงออกมาแล้วเอาไปวางในตลาดขายก็มีน้ําเพชรเหมือนกันดังนั้นคนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้เหมือนกัน จะถือศาสนาไหนก็ได้อาตมาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆอาตมาจึงว่าไม่ใส่เกี่ยวข้องเรื่องการให้ทานไม่ใส่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาสิ่ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องสมถกรรมฐานไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องวิปัสสนาทําไมไม่เกี่ยวอันนั้นมันเป็นเพียงสมมุติพูดพนักพิงดังนั้นจึงให้รู้จักสมมุติจริงๆเนี่ยมันเป็นสมมุติจิว่าสมมุติบัญญัติปรามัดบัญญัติ อัตตบัญญัติอริยบัญญัติบัญญั ต, ญญติ4ี่ข้อเนี่ยเราไม่เข้าใจสมมุติบัญญัตินั้นตามโลหานสาวโรกเป็นตัวบทกฎหมายซึ่งกระดาษเนี่ยเรามาว่าเป็นเงินเนี่ยก็เป็นเงินได้เมื่อหมดสิทธิแล้วกลับเป็นกระดาษตามเดิมอาตามาไปเมืองลาวเขาอยู่ใกล้เมืองลาวเขานั้นกระดาษเมืองลาวเนี่ยมีค้าเดี๋ยวนี้ไม่มีค้าเลยเนี่ยมันสมมุติพูดเท่านั้นเองนี่แหละคนทุกคนนี่นะ เราควรศึกษาให้รู้จักสมมุติจริงๆถ้าหากเราไม่รู้จักสมมุติเราจะมีความสงสัยลังเลใจเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะหลักพุทธศาสนาแล้วเราจะมีทุกข์ความทุกข์นั้นมีหลายประเภททุกไม่มีเงินไม่ต้องพูดถึงทุกเจ็บหัวปวดท้องไม่ไม่ต้องพูดถึงทุกทอะไรอะไรไม่ต้องพูดถึ ง, ท, ง, ถงทุกเรื่องสงสัยนี่แหละมันทุกอย่างหนะักตายแล้วเกิดไหม ทำบุญแล้วไปเกิดสวรรค์ไหมทำบุญแล้วไปนิพพานไหมทำบาปแล้วไปตกนรกหโอ้มันสงสยัยเรื่องนี้มามากก็เลยเป็นทุกข์นี่กับเรียกว่าอุปาทานทุกข์นั่นนะ่ะเรียกว่าเป็นตัวกรรมทุกข์นั่นนะ่ะเป็นกิเลสโอ้ยพูดมากมันก็เลยมากแต่ควมจริงสิ่งเหล่านั้นเป็นเทียมสมมุติเท่านั้นให้เราปฏิบัติเห็นรู้เข้าใจเรื่องนี้แล้วหมดสงสัยเลย หมดสงสัยจริงๆอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทุกข์แล้วก็คนไม่มีทุกข์แล้วก็เอาแล้วอจตมาคนมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ยังมีทุกข์มีประโยชน์อะไรในชีวิตขนาดมีประโยชน์ไหมเอาลองถามเนี่ยมีประโยชน์ไหมคนมีเงินร้อยล้านพันล้านจะมีทุกข์อาจารย์ที่วัดพูดดูนี่มีไม่มีประโยชน์เอาคุณพูดดูมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เนี่ยมันไม่มีประโยชน์จะไปทํามันทําไมสู้ไม่มีเงินเม็ดแดงเดียวนี่ไม่มีทุกข์เนี่ย อันนี้แหะมีประโยชน์อาตมาเข้าใจอย่างนั้นแต่มีก็ได้มีเงินมีร้อยล้านพันล้านก็มีได้แต่มันไม่มีทุกไม่มีเงินก็ไม่มีทุกอาตมาเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคนเอาเงินให้ไม่เอาไม่ถูกต้องอันนี้ rat. คนเอาเงินให้เอาก็ไม่ถูกต้องเขาเอาให้ต้องเอาไม่ใช่ประโยชน์ที่อาตมาเข้าใจอย่างนี้จริงๆอาตมาเข้าใจที่นํามาพูดให้ฟังในผู้ธมจริงนะวันนี้เป็นวันที่เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่เดเรื่องนี้ แล้วก็ตงนี้ก็เป็นวันจันทร์ก็จะได้เลิกรไล่เลิกกันแล้วก็แยกย้ายกันไปที่นํามาพูดให้ฟังเนี่ยเพื่อจะให้พวกเรานําไปใส่จริงๆเรียนหนังสือพวกเนี่ยอาจารย์เนี่ยเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกหนึ่งแล้วมันมีทุกจะไปเรียนทําไมมีประโยชน์อะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนัง้นเ่ยวันนี้สู้อาตมาไม่ได้นะพูดตรงจริงอาตมาเขียนหนังสือไทยไม่เป็น แล้กระทุกวันนี้การเขียนหนังสือไทยไม่เป็นอ่านเขาไม่ได้แต่อตมาไม่มีทุกแล้วพวกคุณเรียนหนังสือจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วมีทุกอตมาเขียนหนังสือไม่เป็นไม่มีทุกใครจะดีอันนี้หาลอ ง, องมันต้องพูดกันอย่างนี้คนไม่มีทุกนันได้ดีใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีทุกเรื่องอื่นนะเรื่อการทํามาหากินมันต้องทําเป็นเหมือนกันทุกคนหากินเลียงปากเรียงทองแม้สัตว์มันก็หากินเป็นนอนเป็น อะไรเป็นคนเรานี่เรียนมาแล้วแทบจะตายแล้วตั้งเก้าปีสิบปี2ี่สิปีก็มียังมีทุกข์เยอะมันจะมีประโยชน์อะไรไปเรียนมาทำไมเรียนมาเพิ่มทุกข์อย่างนั้นนี่อาตมาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆอาตมารู้อย่างนั้นจริงๆที่ว่าไม่เกี่ยวข้องใครทั้งหมดเลยในโลกนี้ใครจะพูดยังไงก็ตามอาตมาไม่เชื่อเลยอาตมาไม่มีทุกข์ระคอ นี่แหละหลักพุทธศาสนานี่วะภูต่าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะคือลักษณะจิตใจของคนทุกคนเนี่ยนะอยู่เนี่ย <c oughs> มันมีลักษณะสะอาดสว่างสงบมีแล้วสะอาดคือจิตใจของเราไม่เคยสกปร ก, กเลยสว่างคือเราเห็นต้นตอของชีวิตจิตใจของเราสงบก็หมายถึงหยุดแล้ว อันนี้อาตมาพูดตามภาษาจามหยุดแล้วไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนแล้วไม่ต้องไปหาอะไรแล้วจะไปเรียนมาทําไมมีประโยชน์อะไรเข้าใจอยังไม่ไปว่าหยุดหยุดไปว่าเสาเนี่ยบ้านอาตมาเรียกว่าเสาหยุดแล้วก็เรียกว่าสงบเนี่ยเนี่ยสะอาดสว่างสงบสะอาดคือเห็นแล้วบันนี้เมื่อสะอาดที่เขาพูดเรื่องสมมุติให้ฝังเราไปขุดบอ่อน้ำเพราะที่ขุดบ่อน้ําลงไปเราไปเจอน้ําเจอน้นําเราจะทํำยังไง กรตมเลนมันนี่นะครับต้องเอาขันเรือเอาอะไรตักเลนตักตมตักน้ํานั่นออกมาน้ําข้างในมันไหลออกมาเป็นดูบุ้นบุ้ออกมาแต่น้ําข้างในมันสะอาดนะมันไม่มีตมไม่เลนเราก็เป็นด้นนะที่ตักคนตักทิ้งตักทิ้งตักทิ้งพอดีมันหมดถึงก้นบ่อมันลราก็นางพักสักข่าวเดียวน้ําข้างในมันไหลออกมาแล้วก็มากวนปากบ่อแล้วมือกวน น้ำมันก็เป็นล้างตมล้างเลนน้าล้างตามขยะมันนั้นมันก็สกปรกขึ้นมาแล้วข้อมจริงน้ำไม่ได้สกปบกเราก็ตักออกตักออกตักจักร้อยครั้งพันผลก็ตามแล้วมันเนี่ยน้ำออกมาแล้วมันเต็มเราเอามืไปป่วนน้ำมันไม่ขุ่นได้แบบนี้อะไรตกลงมาคนบอกก็เห็นทันหลักษณะจิตใจเราเคเช่นเดียวกันนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งสอนจริงๆอันนี้อันนี้เนี่ยผู้มีปัญญาจําแล้วก็ปฏิบัติได้มันไม่ยาก อันนี้แหละเป็นบุญจริงๆเป็นกุศลจริงๆอันนี้นี่มันนึกนิดเดียวเดินอึดใจเดียวก็ได้เลยถ้าหากผู้ฟังตินแล้วเนี่ยผู้ฟังไม่เป็นใครว้าพูดกันบ่อยๆใครมันฟังไม่ร้อนเนี่ยแต่ความจริงอ่ะพระพุทธเจ้าตัดกระลเพราะการทําทางจิตทั้งใจเราก็พูดได้แต่ทําใหม่ไม่ทําเพราะเรื่องอะไรเพราะคนนั้นจํามาเพียงตาราเท่านั้นอยู่ในที่มืดไม่ออกจากถ้าเต็นเมื่อหมดไฟแล้วก็ตายคาถ้าเลย อยู่ในถ้าเลยออกจากถ้าไม่ได้เหมือนกับคนติดตําราเนี่นะออกจำตําลาไม่ได้ก็พูดกันอยู่หน้าที่ตอนนั้นพระไตรปิฎกเลนะ่อนั้นว่าไปพูดทําไม่เรื่องพระไตปิดกพระไตรปิดกคือคนนี้เองเนี่ยตูต้พระไตรปิดกกันตัวคนนี้แหละเป็นตัวพระไตรปิดกเกสาโลมานาักขาทันตาตะโจนะโอ้ยพูดยากอาตมาไม่อยากพูดเลยเกสาบ้านเราเรียกว่าผมออื ผมเรียว่าเกษาโลมาเขาเรียกว่าขนขนบ้านอาตมาว่าขนไม่ใช่ว่าผมขนฟันขนเล็บอะไนั้นมันเป็นเรื่องคําพูดแต่เรื่องตีกยอยเรื่องจริงมันจริงจริงกเรื่องจิตใจนี่ดังนั้นเรามาที่นี่ต้องพยายามดูใจดูใจอย่าไปพาทํางานอะไรก็ดูใจใจมันคิดแวะเดียวขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราก็จะใปัดทิ้งเลยเหมือนกับที่ขุดบ่อน้ำเนี่ย เราขุดแล้วก็ตักหน้าที่จะวิตน้ําออกมน้าที่จะ่วิต น, น้ำบรรณิคมคิดมันขึ้นมาตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยเมื่อตัดทิ้งไปหมดแล้วความคิดมันสกปรกมันจะไม่เข้ามาเลยมันจะมีแต่สติปัญญาทําอะไรจะไม่พลาดไม่ผิดเป็นตํารวจก็ได้เป็นครูก็ได้เป็นทหารก็ได้เป็นพ่อบ้านแม่เลือยงก็ได้ที่สุดเป็นรัฐมนตรีก็ได้ได้ทั้งนั้นเพราะคนมันเห็นแจ้งด้วยสติปัญญานี่ดังนั้นคําสอนของ ข้าพุทธเนะจ้าในจึิงเอาไปใส้กับการทํางานได้ทุกวิธีแต่เราเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจเราสนใจเรื่องไปแก้กฎหมายเรื่องไปหาเงินเนี่ยไปสนใ จ, จกันยันนั้นแต่มาสนใจหลักพุทธศาสนานี่ดีแล้วเราเอาไปแก้ได้กฎหมายก็แก้ได้แล้วเอาไปหาเงินก็ได้โดยไม่มีทุกจริงเลยแต่ทุกคนทําได้ไม่ยกเว้นเลยถ้าหากว่าเมืองไทยเหล่านี้น่ะทํากันอย่างนี้ทุกคนอาจจะมาว่าเมืองไทยเนี่ย เป็นต้นดอกไม้ดอกไม่บาด น, นะเรียว่าตูมแล้กกว่าบานเลยดอกไม้บาดมันหอมกลิ่นมันส่งออกไปบ้านใต้บ้านเหนือแล้กลิ่นมันจะส่งออกไปนอกประเทศก็ได้ถ้าพูดจริงจริงเลยแน่คนก็อยากมาสมมาสมดอกไม้มันหอมอันนี้แหละพุทธศาสนาเป็นหลักสําคัญเมื่อพุทธศาสนาเนี่ยตกไปอยู่ประเทศไหนบ้านใดเมืองใดแล้วบ้านนั้นเจริญคําว่าเจริญเนี่ยแปลว่าไม่มีทุกข์ หมืออีกอย่าืมเจริญไปว่าทํามากๆก็ได้คือมันคําพูดเหมือนเรื่องสมมุตินี่หลักพุทธศาสนาไปตกเข้าจิตใจของคนใดแล้วคนใดรู้จักแล้วคนนั้นไม่มีทุกเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ได้จะได้ทําหน้าที่ตามหน้าที่นั่นเองเป็นลูกก็ได้จะได้ทําหน้าที่ตามลูกนั่นเองเป็นพระสงฆ์องค์เองก็ได้เรื่องนี้เนะ่ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าไม่เข้าใจอย่างนั้นเราก็ไม่ได้เป็นฆาตสัตว์ทีเลย อตาตมาเข้าใจว่าอตาตมาเป็นพระตั้งแต่วันนั้นมาแนละจนถึงวันนี้แต่สมัยนั้นไม่ได้บวชเลยนุ่ง ก, กางเกงขาสั้นหายาวเลยสองปีกว่าแต่อตาตมายังนึกว่าตัวเป็นพระได้อยู่เห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นพระได้อยู่ในบ้านในเรือกน็นึกว่าตัวเองเป็นพระได้ให้อตาตมาเข้าใจอันนี้เป็นเพียงสมมุติเป็นรูปแบบเท่านั้นอันนี้แหละจิวารูปแบบอันนี้เพื่อจะไปเผยแพร่ธรรมะให้คนไทย สาวพุทเลื่อมใสในรูปแบบเลื่อมใสในในรูปแบบในพระเจ้าพระสงฆ์ในสมมุติเมื่อมาเป็นรูปแบบอันนี้เว้าให้คนฝันแล้วคนเชื่อทั้งนั้นผิดถูกก็เชื่อไปทั้งหมดเลยไม่ได้ไปตีตองอะไรนี่มันเป็นอย่างไ้นี่คนไทยถือพุทธศาสนาไม่ได้เคยคิดเลยไม่ได้หาเหตุหาผลเลยเสื้อกระไปต่พุทธพือไปเลยนี่อาตมาจะพูดเรื่องให้ฟังในสมัยอาตมาเป็นนิร อาตมาไปเทศหนังสืออ่านหนังสือไม่ใช่เทศแต่อาตมาอ่านตัวธรรมได้ตัวธรรมตัวลาอาตมาอ่านได้แต่ตัวไทยนี่ไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนบ้านอาตมาแต่พวกเข้าไปก็ต้องเรียนตัวธรรมเขียนหนังสือธรรมในมืออาตมาจินมกิ้วเนี่ยเขียนเขียนเด็จานหันอย่างนี้หันอย่นี้ไปแต่อ่านหนังสืออ่ะเอาเข้าไปตักบาตรให้พระตอนเท้าได้อดีศง์หกกลับเล เอาจังหันไปทรงพระเนรตอนเช้าได้อา น, นิสงฆ์ห้ากลับไปส่งเพนตอนกลางวันได้อา น, นิสงฆ์สี่ ก, กลับก็คือกับหนึ่งก้วงลอยโยต์ลึกลอยโยต์ก็คือลอยปีของเมึองคนจึงไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาที่เอาเม็ดงาไปเท่งไส้บอ่อนั้นนะ่ะให้มันเต็มหมดแบบ น, นี้ถ้าพูดทางสูงก็ก่วงร้อยโยต์สูงลอยโยต์ ร้อยปีของเมืองคนจึงจะมีเทวดาเอาผ้าอ่อนๆหรือฝอยอ่อนมาปัดลงให้มันหาบเหมือนหน้ากองนี่แล้วกับภาษีอันนี้ไม่แต่จะมาเปิดที่ตรงนั้นโอ้โหอโันนั้นมันเป็นอาชินไตมันคิดไม่วิ่ไม่ไหวเรามาคิดอยู่เลยสองคืบเป็นหนึ่งศอกสี่ศอกเป็นหนึ่งวายี่สิบวาเป็นหนึ่งเส้นยี่สิบห้าเส้นเป็นหนึ่งกิโลเอาเพียงกิโลเดียวก็ได้ โ, โยดดึงมีกี่กิโลนี้นี่เราเราไม่เข้าใจสี่รอยเส้นเป็นหนึ่งโยดใช่ไหม เล็บวันนี้เอาเพียงกิโลเดียวเนี่ยไม่ต้องเป็นเอาเป็นบอ่อเป็นเหวหรอกเอาเรียนเม็ดเลียนเม็ดเลียนเม็ดกันไปนี่แต่นี่ไปหาตายก็ยังไม่ถึงกิโลนื้เอาเม็ดบางนาเรียนเม็ดไปนี่นะอันนั้นแหละเราไม่รู้ตีความหมายไม่ได้จริงๆเรื่อง